14. พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูปหรือครั้นเห็นแล้วก็รู้จักเฉพาะนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นนรชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายก็ไม่กล่าวความหมดจดเพราะการเห็นนามรูปนั้นคําว่านรชนเมื่อเห็นในคําว่านรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูป อธิบายว่านรชนเมื่อเห็นด้วยประจิตญาณบ้างเมื่อเห็นด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณบ้างเมื่อเห็นด้วยมังสะจักขูบ้างเมื่อเห็นด้วยทิปจักขูบ้างก็เห็นนามรูปนั่นเองโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนไม่ได้เห็นความเกิดความดับคุณโทษหรือการสลัดออกแห่งธรรมเหล่านั้นเลยรวมความว่า นรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูปคำว่าครั้นเห็นแล้วในคำว่าหรือครั้นเห็นแล้วก็รู้จักเฉพาะนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นอธิบายว่าครั้นเห็นแล้วด้วยประจิตยานบ้างเห็นแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติยานบ้างเห็นแล้วด้วยมังสะจักขุบ้างเห็นแล้วด้วยทิพจักขุบ้างครั้นเห็นเพียงนามรูปนั่นเองแล้วก็รู้จักโดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนมิได้รู้จักความเกิดความดับคุณโทษหรือการสลัดออกแห่งธรรมเหล่านั้นเลยรวมความว่าหรือครั้นเห็นแล้วก็รู้จักเฉพาะนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นคาว่านรชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้ได้แก่เห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุข โดยความเป็นตัวตนโดยแท้รวมความว่านราชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้คำว่าผู้ฉลาดทั้งหลายในคำว่าถึงอย่างนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายก็ไม่กล่าวความหมดจดเพราะการเห็นนามรูปนั้นอธิบายว่าผู้ฉลาดในขันผู้ฉลาดในธาตุผู้ฉลาดในอายตนะผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทผู้ฉลาดในสติปัฏฐาน ผู้ฉลาดในสัมมาประธานผู้ฉลาดในอิธิบาทผู้ฉลาดในอินทรีผู้ฉลาดในภะละผู้ฉลาดในพ่อชงผู้ฉลาดในมัคผู้ฉลาดในผลผู้ฉลาดในนิพพานผู้ฉลาดเหล่านั้นไม่กล่าวไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะการเห็นนามรูป ด้วยประจิตยานบ้างด้วยปุเพนิวาสานุสติยานบ้างด้วยมังสะจักขูบ้างด้วยทิปจักขูบ้างรวมความว่าถึงอย่างนั้นผู้ชนาทั้งหลายก็ไม่กล่าวความหมดจดเพราะการเห็นนามรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูปหรือครั้นเห็นแล้วก็รู้จักเฉพาะนามรูปเหล่านั้นเท่านั้น นรชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นผู้ฉลาทั้งหลายก็ไม่กล่าวความหมดจดเพราะการเห็นนามรูปนั้น14ึบหพระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นไม่ใช่คนที่ใครพึงแนะนําได้ง่ายเป็นผู้เชื่อชูทิฏฐิที่กำหนดไว้แล้ว า ส, สายศาสดาใดก็กล่าวาศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐินั้นนรชนนั้นผู้กล่าวความหมดจดได้เห็นว่าแท้จริงในทิฐินั้นคําว่านรชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นไม่ใช่คนที่ใครพึงแนะนําได้ง่ายอธิบายว่านรชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงยัางอื่นเป็นโมคะ มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะคำว่าไม่ใช่คนที่ใครพึงแนะนําได้ง่ายอธิบายว่านรชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นเป็นคนที่พึงแนะนําได้ยากทําให้เข้าใจได้ยากทําให้เพ่งพินิจได้ยาก ทำให้พิจารณาได้ยากทำให้เลื่อมใสได้ยากรวมความว่านราชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นไม่ใช่คนที่ใครพึงแนะนําได้ง่ายคําว่าเป็นผู้เชื่อชูทิฐิที่กําหนดไว้แล้วอธิบายว่าเป็นผู้เชื่อชูเคยเที่ยวยกย่องทิฐิที่กําหนดแล้วกําหนดไว้แล้วเคยปรุงแต่งไว้แล้วตั้งไว้ดีแล้วมีทิฐิเป็นธงชัย มีทิฐิเป็นยอดธงมีทิฐิเป็นใหญ่ถูกทิฐิครอบงามเที่ยวไปรวมความว่าเป็นผู้เชื่อชูทิฐิที่กำหนดไว้แล้วคำว่าอาศัยศาสดาใดในคำว่าอาศัยศาสดาใดกอกกล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในเพราะทิฐินั้นอธิบายว่าอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อศาสดา ทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฐิปฏิปทามักใดรวมความว่าอาศัยศาสดาใดคำว่าในพราะทิฐินั้นได้แก่ในเพราะทิฏฐิของตนคือความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนคำว่าก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามได้แก่กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามคือกล่าวว่าดี กล่าวว่าเป็นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นนักปราศกล่าวว่ามีญาณกล่าวว่ามีเหตุผลกล่าวว่ามีคุณลักษณะกล่าวว่าเหมาะแก่เหตุกล่าวว่าสมฐานะตามลัทธิของตนรวมความว่าอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐินั้นคำว่าผู้กล่าวความหมดจดในคำว่านรชนั้นผู้กล่าวความหมดจดไดเห็นว่า แท้จริงในทิฐินั hurts, als, FUCK, ้นอธิบายว่ากล่าวความหมดจดคือกล่าวความสะอาดกล่าวความบริสุทธิ์กล่าวความผ่องแผ้วกล่าวความผ่องใสอีกในหนึ่งเป็นผู้มีความเห็นหมดจดคือเป็นผู้มีความเห็นสะอาดเป็นผู้มีความเห็นบริสุทธิ์เป็นผู้มีความเห็นผ่องแผ้วเป็นผู้มีความเห็นผ่องใสรวมความว่าผู้กล่าวความหมดจด คำว่าในทิฐินั้นได้แก่ในทิฐิของตนคือความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนคำว่านอรชนนั้นได้เห็นว่าแท้จริงอธิบายว่าได้เห็นคือได้แลเห็นมองเห็นแทงตลอดแล้วว่าแท้จริงคือแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่านอรชนนั้นผู้กล่าวความหมดจด ได้เห็นว่าแท้จริงในทิฏฐินั้นด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นไม่ใช่คนที่ใครพึงแนะนําได้ง่ายเป็นผู้เชื่อชูทิฏฐิที่กําหนดไว้แล้วอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฏฐินั้นนรชนนั้นผู้กล่าวความหมดจดได้เห็นว่าแท้จริงในทิฏฐินั้น หนึพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามพิจารณาแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกําหนดไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่ผูกพันด้วยตัณหาหรือทิฏฐิเพระาะญาณพรามนั้นครั้นรู้แล้วก็วางเฉยทิฏฐิสมมติที่เกิือจากปุถุชนแต่สมณพรามเหล่าเอ่นพากันถือมั่นคำว่าไม่ในคำว่าพรามทราบแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกาหนด เป็นคำปฏิเสธคำว่าพราหม์อธิบายว่าชื่อว่าพราหม์เพราะลอยทำเจ็ดประการได้แล้วไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหม์คำว่าความกำหนดได้แก่ความกำหนดสองอย่างคือหนึ่งความกำหนดด้วยอำนาจตันหาสองความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ น้ชื่อว่าความกาหนดด้วยอานาจตันหาน้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอนานาจทิฏฐิยานตรั์เรียกว่าเครื่องพิจารณาคือความรู้ทั่วปิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมาทิฏฐิคําว่าพรามพิจารณาแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกาหนดอธิบายว่าพรามพิจารณาแล้วคือรู้แล้วเทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้วทําให้กระจายแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงพรามพิจารณาแล้วคือรู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจายแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดรวมในความดับไปเป็นธรรมดาย่อมไม่ถึงไม่เข้าถึง คือไม่สนใจไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นความกําหนดด้วยอํานาจตันหาหรือความกําหนดด้วยอํานาจทิฏฐิรวมความว่าพราหมณ์พิจารณาแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกําหนดคําว่าไม่เล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่ผูกพันด้วยตันหาหรือทิฏฐิเพระาะญาณอธิบายว่าทิฏฐิหกสิบสองพราหมณ์นั้นละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วพรามนั้นไม่ไปไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนําไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่กลับไปไม่หวนกลับไปหาทิฏฐินั้นโดยความเป็นสาระรวมความว่าไม่เล่นไปด้วยทิฏฐิคำว่าทั้งไม่ผูกพันด้วยตัณหาหรือทิฏฐิพระยานอธิบายว่าไม่ก่อคือไม่ให้เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งความผูกพันด้วยอำนาจตันหาหรือความผูกพันด้วยอำนาจทิฏฐิเพระาะญาณในสมาบัติแปดญาณในอภิญญาห้าหรือมิจฉาญานรวมความว่าไม่เล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่ผูกพันด้วยตันหาหรือทิฏฐิเพระาะญาณคำว่าครั้นรู้แล้วในคาว่าพรามนั้นครั้นรู้แล้ว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 สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าพรามนั้นครันรู้แล้วทิฏฐิสิบสองปรเรียวกว่าทิฏฐิสมมติคำว่าที่เกิดจากปุทุชนอธิบายว่าทิฏฐิสมมติเหล่านั้นเกิดจากปุตุชนจึงชื่อว่าที่เกิดจากปุตุชนหรือทิฏฐิสมมติเหล่านั้น เกิดจากชนต่างๆมากมายจึงชื่อว่าที่เกิดจากปุตุชนรวมความว่าพรามนั้นครันรู้แล้วทิฏฐิสมมุติที่เกิดจากปุตุชนคาว่าก็วางเฉยแต่สมณพรามเหล่าอื่นพากันถือมั่นอธิบายว่าสมณพรามเหล่าอื่นถือยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจตันหาด้วยอำนาจทิฏฐิ ส่วนพระอระหันต์วางเฉยไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรวมความว่าก็วางเฉยแต่สมณพราหมณ์เหล่าเอินพากันถือมั่นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพร์พิจารณาแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกําหนดไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่ผูกพันด้วยตัณหาหรือทิฏฐิเพระยานพราหมณ์นั้น รั้นรู้แล้วก็วางเฉยทิฏฐิสมมติเที่ยงเกลเอจากปุตุชนแต่สมณพราหม์เหล่าเอ่นพากันถือมั่นหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มุนีสลักกิเลสเครื่องร้อยรัตในโลกนี้แล้วเมื่อคนเกิดวิวาสกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝายเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมุนีนั้นเป็นผู้สงบวางเฉยไม่ถือมั่นแต่สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นพากันถือมั่นคาว่ากิเลสเครื่องร้อยรัตในคาว่ามุนีสลักกิเลสเครื่องร้อยรัดในโลกนี้แล้วได้แก่กิเลสเครื่องร้อยรัตสี่อย่างคือ หกิเลสเครื่องร้อยรักกายคืออภิชา like mm hmm. 2. กิเลสเครื่องร้อยรักกายคือพยาบาทสกิเลสเครื่องร้อยรักกายคือศิลปตะปรามาตสีกิเลสเครื่องร้อยรักกายคือความถือมั่นว่านี้เท่านั้นจริงความกำหนัดในทิฏฐิของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคืออภิชาความอาฆาตความไม่พอใจในวาทะของผู้อื่น ชื่อว่ากิเลเาาสล เ, ลเครื่องร้อยรักกายคือพยาบาทความยึดมั่นศีลวัดหรือศีลวัดของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคือศีลปตะปรามากทิฐิของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคืออิทางสัจจาพินิเวศคำว่าสลัดได้ แ, แก่สละหรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรักอีกในหนึ่ง มุนีแก้หรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดคือกิเลสเครื่องผูกพันที่ร้อยรัดรัดรึงข้องติดเกี่ยวเกี่ยวพันเกาะติดติดแน่นแล้วอธิบายว่ามุนีสละหรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดเหมือนคนทำการปลดปล่อยวอรถรถเวียนหรือรถมีเครื่องประดับคือให้เครื่องที่ไปได้ฉะนั้น อีกในหนึ่งมุนีแก้หรือสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดคือกิเลสเครื่องผูกพันที่ร้อยรัดรัดรึงคล้องติดเกี่ยวเกี่ยวพันเกาะติ ด, ต, ดติดแน่นแล้วคำว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตัณหาดุจตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนี คำว่าในโลกนี้ได้แก่ในทิฏฐินี้มนุษยโลกนี้รวมความว่ามุนีสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดในโลกนี้แล้วคำว่าเมื่อคนเกิดวิวาทกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายอธิบายว่าเมื่อคนเกิดวิวาทกันแล้วเือเกิดขึ้นแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วได้แก่เมื่อคนทั้งหลายถึงชั้นทาคติ ถึงโทสาคติถึงโมหากติถึงพยาคติมุนีนั้นย่อมไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคติคือไม่ดำเนินไปตามอํานาจพระคะไม่ดำเนินไปตามอํานาจโทสะไม่ดำเนินไปตามอํานาจโมหะไม่ดำเนินไปตามอํานาจมานะไม่ดำเนินไปตามอํานาจทิฐิ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจอุทจฉาไม่ดำเนินไปตามอำนาจวิจิกิจฉาไม่ดำเนินไปตามอำนาจอนุสัยได้แก่ไม่ไปคือไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนำไปด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝ่ายรวมความว่าเมื่อคนเกิดวิวาทกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายคําว่าเป็นผู้สงบในคําว่า เมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมูนีนั้นเป็นผู้สงบวางเฉยอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบราคะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโมหะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพื่อเข้าไปสงบสงบเย็นดับระงับได้แล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผาดับปราศจาก สงบระงับอากุศลาพิสังขารทุกประเภทได้แล้วรวมความว่าเป็นผู้สงบคำว่าเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบอธิบายว่าเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบคือไม่เข้าไปสงบไม่สงบเย็นไม่ดับไม่ระงับรวมความว่าเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมูนีนั้นเป็นผู้สงบคำว่ามูนีนั้นวางเฉยอธิบายว่า มูนีผู้เป็นพระอระหันต์ประกอบด้วยอุเบกขามีองค์หกเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูเป็นผู้อบรมแล้วเป็นผู้สงบรอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นรวมความว่าเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมูนีนั้นเป็นผู้สงบวางเฉยคำว่าไม่ถือมั่น แต่สมณพราหม์เหล่าอื่นพากันถือมัน่นอธิบายว่าสมณพราหม์เหล่าอื่นถือยึดมัน่นถือมั่นด้วยอำนาจตันหาด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีผู้เป็นพระอรหันต์วางเฉยไม่ถือไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นรวมความว่าไม่ถือมัน่นแต่สมณพราหม์เหล่าอื่นพากันถือมัน่นโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า มูนีสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัตในโลกนี้แล้วเมื่อคนเกิดวิวาทกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมูนีนั้นเป็นผู้สงบวางเฉยไม่ถือมั่นแต่สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นพากันถือมั่นหนึ่งร้อยสี่สิบปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีละอาสวะเก่าไม่ก่ออาสวะใหม่ไม่ดาเนินไปตามความพอใจ ทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นมุนีนั้นเป็นนักปราดพ้นขาดแล้วจากทิฐิทั้งหลายติเตียนตนเองไม่ได้ไม่ติดอยู่ในโลกคำว่ามุนีและอาสวะเก่าไม่ก่ออาสวะใหม่อธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตตราสเรียกว่าอาสวะเก่ากิเลสเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะปรารบสังขารที่เป็นอดีต มูนีละคือสละสลัดละทิ้งบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสเหล่านั้นแล้วรวมความว่าละอาสวะเก่าคําว่าไม่ก่ออาสวะใหม่อธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันตราเรียกว่าอาสวะใหม่มูนีไม่ก่อความพอใจไม่ก่อความรักไม่ก่อความกาหนัด เพราะตารบสังขารที่เป็นปัจจุบันคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นรวมความว่ามุนีและอาสวะเก่าไม่ก่ออาสวะใหม่คำว่าไม่ดำเนินไปตามความพอใจในคำว่าไม่ดำเนินไปตามความพอใจทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นอธิบายว่าไม่ถึงฉันทากติไม่ถึงโทสาติ ไม่ถึงโมหะคติไม่ถ mm ึงพยาคติเคยไม่ดำเนินไปตามอำนาจราคะไม่ดำเนินไปตามอำนาจโทสะไม่ดำเนินไปตามอำนาจโมหะไม่ดำเนินไปตามอำนาจมานะไม่ดำเนินไปตามอำนาจทิฏฐิไม่ดำเนินไปตามอำนาจอุทจจะไม่ดำเนินไปตามอำนาจวิจิกิจชาไม่ดำเนินไปตามอำนาจอนุสัยได้แก่ไม่ไป คือไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนาไปด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝ่ายรวมความว่าไม่ดำเนินไปตามความพอใจคำว่าทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นอธิบายว่าไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่า โลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะหลังจากตายแล้วตถาค็จะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะรวมความว่าไม่ดำเนินไปตามความพอใจทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นคำว่ามูนีนั้นเป็นนักปราดพ้นขาดแล้วจากทิชีทั้งหลายอธิบายว่า ทิฏฐิ 62, หกมุนีนั้นละได้แล้วเคอตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วมุนีนั้นพ้นขาดแล้วคือไม่เกี่ยวข้องกับทิฏฐิทั้งหลายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่คำว่าเป็นนักปราดได้แก่เป็นนักปราดคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้ มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสรวมความว่ามุนีนั้นเป็นนักปราชญ์พ้นขาดแล้วจากทิฐิทั้งหลายว่าด้วยเหตุที่ติเตียนมีสองอย่างคำว่าติเตียนตนเองไม่ได้ไม่ติดอยู่ในโลกอธิบายว่าคำว่าความติดได้แก่ความติดสองอย่างคือหนึ่งความติดด้วยอำนาจตันหา ความติดด้วยอหนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความติดด้วยอหนาจตันหานี้ชื่อว่าความติดด้วยอหนาจทิฏฐิมูนีนั้นละความติดด้วยอหนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความติดด้วยอหนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความติดด้วยอหนาจตันหาสลัดทิ้งความติดด้วยอหนาจทิฏฐิได้แล้วเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าไปติดจึงไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติด ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันตโลกทาตุโลกอายตนะโลกคือเป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่เข้าไปติดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่ติดอยู่ในโลกคำว่าติเตียนตนเองไม่ได้อธิบายว่า มุนีย่อมติเตียนตนเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งเพราะทำสองเพราะไม่ทำมุนีย่อมติเตียนตนเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างไรคือมุนีย่อมติเตียนตนว่าเราทำกายทุจริตไม่ทำกายสุจริตเราทำวจีทุจริตเราทำมโนทุจริตเราทำปาณ า, าติบาเราทำมิชาทิฏฐิไม่ทำสัมมาทิฏฐิมุนีชื่อว่า ย่อมติเตียนตนเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้อีกในหนึ่งมูนีย่อมติเตียนตนว่าเราไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหกไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เสมอไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะไม่เจริญสติปฐานสี่ไม่เจริญสัมมาปทานสไม่เจริญอิทิบาสีไม่เจริญอินทรีย์ห้า ไม่เจริญพละห้าไม่เจริญพ่ชงเจ็ดไม่เจริญอริยมรรมีองแปดไม่กำหนดรู้ทุก์ไม่ละทุกขสมุทัยไม่เจริญมรรไม่ทำให้แจ้งนิโรธมูนีชื่อว่าย่อมติเตียนตนเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้มูนีไม่ทำคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งกรรมที่ติเตียนตน จึงชื่อว่าติเตียนตนเองไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้รวมความว่าติเตียนตนเองไม่ได้ไม่ติดอยู่ในโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีและอาชะวะเก่าไม่ขออาศวะใหม่ไม่ดำเนินไปตามความพอใจทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นมุนีนั้นเป็นนักปราดพ้นขาดแล้วจากทิฏฐิทั้งหลายติเตียนตนเองไม่ได้ หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้ว่ามุนีนั้นเป็นผู้กำจัดเจนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง มูนีนั้นเป็นผู้ปรองภาระลงแล้วพ้นขาดแล้วไม่มีความกําหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาคําว่ามุนีนั้นเป็นผู้กําจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอธิบายว่าเสนามานตรัสเรียกว่าเสนากายทุจริตชื่อว่าเสนามาน วจีทุจริตชื่อว่าเสนามานมโนทุจริตชื่อว่าเสนามานราคะโทสะโมหะโกตะอุปนาหะมัคขะปลาสะอิสามาชริยะมายาสาถทยยะธรรมภะสารมภะมานะอติมานะมทะประมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกรนกระวายทุกอย่าง ความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาภิสังขารทุกประเภทชื่อว่าเสนามานสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากิเลสกามเราเรียกว่าเสนากองที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเราเรียกว่าเสนากองที่สองของท่านความหิวกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่าน ตันหาเราเรียก um ว, ว่าเสนากองที่สี่ของท่านทีนะมิทะเราเรียกว่าเสนากองที่ห้าของท่านความกลัวเราเรียกว่าเสนากองที่หกของท่านวิจิกิจฉาเราเรียกว่าเสนากองที่เจ็ดของท่านมักขะและธรรมภะเราเรียกว่าเสนากองที่แปดของท่านลาบความสรนเสริญสักระและยศที่ได้มาผิด เราเรียกว่าเสนากองที่เก้าของท่านการยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่านมานเอยเ๋ยเสนาของท่านนี้มีปกติประหารผู้มีธรรมดำคนขาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าครั้นชนะได้แล้วย่อมได้ความสุขเมื่อใดเสนามานทั้งหมดและกิเลสที่สร้างเสนาฝ่ายตรงข้ามทั้งปวง ถูกมุนีพิชิตและทำให้ปราชัยถูกทำลายกำจัดทำให้ไม่สู้หน้าแล้วด้วยอริยมรสีเมื่อนั้นมุนีนั้นตรัสเรียกว่าเป็นผู้กำจัดเสนาเพอเป็นผู้กำจัดเสนาในรูปที่เห็นกำจัดเสนาในเสียงที่ได้ยินกำจัดเสนาในอารมณ์ที่รับรู้และกำจัดเสนาในธรรมารมที่รู้แจ้งแล้วรวมความว่า มูนีนั้นเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าด้วยภาระสามอย่างคำว่ามุนีนั้นเป็นผู้ปรงภาระลงแล้วพ้นขาดแล้วอธิบายว่าคำว่าภาระได้แก่ภาระสามอย่างคือหนึ่งขันธภาระสองกิเลสภาระ อภิสังขารภาระขันธภาระเป็นอย่างไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปฏิสนธินี้ชื่อว่าขันธภาระกิเลสภาระเป็นอย่างไรคือราคะโทสะโมหะอกุศลภิสังขารทุกประเภทนี้ชื่อว่ากิเลสภาระอภิสังขารภาระเป็นอย่างไรคือปุญญาภิสังขาร อาปุญญาพิสังขารอนเนนชาพิสังขาร น, นิชื่อว่าอาิสังขาระพาระเมื่อใดขันธพาระกิเลสภาระและอาิสังขาระพาระมุนีละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมื่อนั้นมุนีนั้นตรัสเรียกว่า เป็นผู้ปรงภาระลงแล้วเื่อผู้มีภาระตกไปแล้วมีภาระอันปลดแล้วมีภาระอันปล่อยแล้วมีภาระอันวางแล้วมีภาระอันระงับแล้วว่าด้วยโมเนยธรรมสามประการคําว่ามูนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกเฟ้น ความสอดส่องธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิดค้นความใคร้ครวนปัญญาดุจแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาดุจประตักปัญญาปัญญีนี ปัญญาพละปัญญาดุาสตราปัญญาดุษปราสาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาดุษ ด, ดวงประทีปปัญญาดุษดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิผู้ที่ประกอบด้วยญาณ น, นั้นชื่อว่ามุนีคือผู้บรรลุโมยนยญาณแล้วโมนยะธรรมสามประการคือหนึ่งโมนยะธรรมทางกาย 2. โมนยธรรมทางวาจาสามโมนยธรรมทางใจโมนยธรรมทางกายเป็นอย่างไรคือการละกายทุจริตสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางกายกายสุจริตสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางกายญาณมีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางกายกายยปริญญาการกาหนดรู้กายชื่อว่า โมนียธรรมทางกายมักที่สหระโคด้วยปริญญาชื่อว่าโมนียธรรมทางกายการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายชื่อว่าโมนียธรรมทางกายความดับแห่งกายสังขารการบรรุจตุทัชฌานชื่อว่าโมนียธรรมทางกายนี้ชื่อว่าโมนียธรรมทางกายโมนียธรรมทางวาจาเป็นอย่างไร คือการละวจีทุจริสีอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาวจีสุจริสีอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาญาณมีวาจาเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาวาจาปริญญาการกาหนดรู้วาจาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจามักที่สหรคตด้วยปริญญาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจวา การละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวาจาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาความดับแผงวจีสังขารการบรรลุทุติยฌานชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจานี้ชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาโมนยธรรมทางใจเป็นอย่างไรคือการละมโนทุจริตสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางใจ มนุสสติริษสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางใจญาณมีใจเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางใจจิตตปริญญ า, าการกําหนดรู้จิตชื่อว่าโมนยธรรมทางใจมัคที่สหรโคตด้วยปริญญาชื่อว่าโมนยธรรมทางใจการละความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในจิตชื่อว่าโมนยธรรมทางใจความดับแห่งจิตตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยียตนิโรธสมาบัติชื่อว่าโมนยธรรมทางใจนี้ชื่อว่าโมนยธรรมทางใจสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจผู้ไม่มีอาสวะว่าเป็นมุนีผู้สมบูรณ์ด้วยโมนยธรรมและกิเลสทั้งปวงได้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 อาเสขามุนีหปัจเจกะมุนี 6. มุนิมุนีอนาคาระมุนีเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้ครองเรือนเห็นทางนิพพานแล้วรู้แจ้งหลักคำสอนแล้วเหล่านี้ชื่อว่า อ, าาอนาคาระมุนีอนาคารมุนีเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้เป็นบรรพชิตเห็นทางนิพพานแล้วรู้แจ้งหลักคำสอนแล้ว เหล่านี้ชื่อว่าอังคารมุนีพระเสขะาดเจ็ดจำพวกชื่อว่าเสขะมุนีพระอรหันต์ทั้งหลายชื่อว่าอเสขะมุนีพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าปัจเจกบมุนีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่ามุนิมุนีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลโง่เขลาไม่รู้อะไร เพียงแต่นั่งนิ่งๆหาชื่อว่าเป็นมูนีไม่ส่วนบุคคลผู้ฉลาดเลือกช่างเอาแต่สิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งที่ชั่วเหมือนบุคคลช่างเสียงของจึงจะชื่อว่าเป็นมุนีแท้ผู้ที่รู้โลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นมุนีเช่นกันผู้รู้ธรรมทั้งของอสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งปวงเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ก้าล่วงกิเลสเครื่องค้องและทันหาดุตะขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคําว่าพ้นขาดแล้วอธิบายว่าจิตของมุนีหลุดพน้นหลุดพ้นดีแล้วจากราคะจิตของมุนีหลุดพน้นหลุดพ้นดีแล้วจากโทสะจากโมหะจากอปุชลาภิสังขารทุกประเภทรวมความว่ามุนีนั้นเป็นผู้ปลงภาระลงแล้วพ้นขาดแล้ว คำว่าความกำหนดในคําว่าไม่มีความกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาได้แก่ความกำหนดสองอย่างคือหนึ่งความกำหนดด้วยอำนาจตันหา 2. ความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิน้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจตันหาน้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีนั้นละความกำหนดด้วยอำนาจตันหาได้แล้ว สลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความกำหนดด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วมูนีจึงไม่กำหนดคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งความกำหนดด้วยอำนาจตันหาหรือความกำหนดด้วยอำนาจทิฐิรวมความว่าไม่มีความกาหนดคาว่าไม่เข้าไปยินดี อธิบายว่าพาและปุตตชนทุกจำพวกย่อมกํหนัดพระเสขะเจ็ดจาพวกรวมทั้งกลยาณปุตตชนย่อมยินดียินดียิ่งยินดีเฉพาะเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งพระอรหันต์เป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้อง พึงมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่มีความกาหนดไม่เข้าไปยินดีคำว่าไม่มีความปรารถนาอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกาหนัดความกาหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะตัณหาที่เรียกว่าความปรารถนานี้มุนีใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยานแล้วมูนีนั้นตรัสเรียกว่าไม่มีความปรารถนาอธิบายคำว่าพักวาคาว่ า, วาพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพอีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรง ท, ทาลายราคะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาค พระทรงทำลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายโมหะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายมานะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายทิฐิได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายเสียนน้ําได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายกิเลสได้แล้ว ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงจำแนกแยกแยะแจกแจงธรรมรัตนะชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำที่สุดแห่งพบได้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงอบรมพระวรกายแล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วอีกในหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร่นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวอนเวนทบาทเสนาสนะ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 พระผู้มีพระภาคอีกในหนึง่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมก8แปดอภิพายตนะแปดอนุปุพพวิหารสมาบัติก้าจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึง่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิทธิ์กระสิณสมาบัติสิทธิ์อานาปานสติสมาธิอสุภะสมาบัติจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาค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 เป็นวิโมกขันติกนามพระนามในลำดับการบรรลุอรหัตผลเป็นสัจจีกาบัญญัติบัญญัติที่เกิดเพราะทรงรู้แจ้งอรหัตผลของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตยานที่โคนต้นโพ ร, รวมความว่าไม่มีความกําหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า มูนีนั้นเป็นผู้กาจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมูนีนั้นเป็นผู้ปลงภาระลงแล้วพ้นขาดแล้วไม่มีความกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรานามหาวิยูหะสุตตานิเทศที่สิบสามจบ